ไม่มีเรียวไม่มีแรงที่จะเดินมาหาหมอก็นอนเปลมาให้อาจารย์ประเวทช่วยรักษาอาจารย์ประเวทก็เป็นหมอทางด้านโลหิต ท, ทางด้านเลือดก็ตรวจคนไข้ดูอาการแล้วพูดคุยกับคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับนักศึกษาแพทย์ที่มาช่วยงานบอกว่าคนไข้นี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเป็นแค่โลหิตจางเพราะว่า มีพยาตาขอเดี๋ยวให้กินธาตุเหล็กก็จะดีวันดีคืนโรคนี้รักษาง่ายผู้จบก็หันไปมองคนไข้พราะว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นมายืนได้เลยแล้วก็บอกหมอประเวศว่าถ้าหมอว่ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปแล้วคือเรี้ยวแรงกลับมาทันทีพอรู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรก็คือเป็นแค่พยายค่อนั้นเองแต่ทําไมทีแรกถึงไม่มีแรงแรงมันมีอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไร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 แล้วก็ให้วัดว่าเจ็บปวดแค่ไหนให้คะแนนความเจ็บปวดว่ามันกี่คะแนนหลังจากนั้นก็ให้กินยาตัวที่ว่ากลุ่มแรกก็หมอก็บอกว่ายาตัวนี้มาราคา250านะกลุ่มที่สองก็บอกว่ายาตัวนี้มาราคา10เซนต์ต่างกันเยอะเลยนะ25เท่าเสร็จแล้วก็ให้กินยาหลังจากโดนไ ฟ, ฟฟ้าชอ็อตตอกินยาเสร็จก็ช็อตใหม่ ที่ข้อมือที่นี่ก็ให้วัดดูว่าความเจ็บปวดเป็นเท่าไหร่แล้วก็ผลการให้คะแนนนี่มาเทียบกันดูกลุ่มแรกซึ่งในยา250เีย้านี่ก็บอกว่า 80% บอกว่าความเจ็บปวดลดลงหลังจากได้กินยาแล้วกลุ่มที่2ได้กินยา10เซนบอกว่า 60% ความปวดลดลงต่างกันพอสมควรเลยที่มันน่าสนใจคือว่าจริงแล้วเนี่ย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 ให้ความทุกข์ที่จิตเนี่ยมันหายไปเลยเห็นแต่กายที่เจ็บปวดแต่ว่าใจนี่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยเลยเหมือนกับเฝ้าดูคนอื่นที่กำลังปวดอยู่แต่ว่าพอสติอ่อนเมื่อไหร่ใจมันก็เข้าไปรวงหมดกายก็จะรู้สึกปวดขึ้นมาทันทีปวดแบบทบจะทนไม่ได้แต่พอตั้งสติขึ้นมาได้นี่ก็จิตก็มาอยู่ที่เดิมแล้วก็มาดูกายความเจ็บปวด ความทุกข์ที่จิตมันก็บันเทาไปจนกลายเป็นปกติชื่อเห็นแลยวว่าเรื่องของสุขหรือทุกข์เนี่ยนะใจเนี่ยมีความสําคัญมากแต่ว่าคนเรามักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของใจเท่าไหร่เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องกายเยอะจนลืมที่จะดูจิตดูใจหรือว่าพัฒนาจิตใจของตัวเวลาป่วยก็คิดแต่ว่าจะหายามาบรรเทาแต่ไม่ได้ดูว่า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 แล้วก็อนาคตมากใจที่ชอบไปยึดไปแบกเอาไว้มันทุกข์นะเวลาแบกเอาไว้แต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะแบกแล้วก็ไปทำร้ายตัวเองยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์บางทีมันเหมือนกับว่ายิ่งคิดก็เหมือนกับกรีดลงไปในหัวใจนึกถึงคนที่เราโกรธเราเกลียดที่ธระยศหักหลังเราก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแทนคิดไปก็เหมือนกับว่าหัวใจมันถูกกรีดแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิด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 พอมารู้เขาก็เสียใจว่างูตัวนั้นสงสัยคยงจะต้องตายเพราะไม่มีอากาศหายใจมีความเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกผิดในแรงขนาดที่เรียกว่าฝันนี่ฝันถึงงูเลยงูมาหาในฝันคนที่พูดนี้เป็นผู้ชายนะก็กลุ้มใจมาปรึกษาอีกคนนึงก็เดียวผู้หญิงขับรถแล้วก็แมวมันวิ่งตัดหน้าก็ไม่ทันเห็นก็ชนมันตาย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 แมวที่มันตายไปแล้วเราไม่สามารถจะทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้แต่สิ่งที่เราสนใจคือว่าทาไงถึงจะไม่ให้แมวตัวอื่นต้องมาตายด้วยน้ํามือเราเพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกใจให้มีสติเอาไว้มีความระมัดระวั ง, งมไม่ใช่มาเอาแต่มัวเสียใจในเรื่องที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้แมวตัวที่ตายไปแล้วเราไม่สามารถทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้แมวตัวอื่นต้องมาตายได้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 แต่สิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นก็คือสติที่เราลึกได้เราลึกรู้ในกายและใจเมื่อเราเผลอยึดไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าไปมัวหมวกมุ่นคลุ้นคิดกับเรื่องในอดีตให้มีสติรู้เมื่อมีสติรู้มันก็วางได้มันวางเองแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จมเข้าไปในความคิดความนึกนั้นแต่แล้วเราก็ทุกเองทุกวันนี้นี่เราก็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 ของร่างกายโดยที่ไม่ต้องคิดเอาว่าฉันกำลังเดินให้รู้สึกเบาๆให้รู้สึกเพียงแค่ว่ามันมีการเคลื่อนขยับขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่ารู้กายนั่วก็เป็นการสร้างสติในกายได้เวลาเราขยับมือไปมาหรือว่าเกาหลังเกาขาใหม่ๆมันก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวทำเสร็จถึงค่อยรู้ว่าโอ้นี่เราเกาวไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเรา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 มันไม่เป็นธรรมชาติแทนเป็นสบายสบายนะการไปเพ่งไม่ทําให้เราไปรับรู้เฉพาะจุดนะไปเพ่งที่มือก็รับรู้แต่เฉพาะมือและเวลาจะวางของวางจานวางชามก็เลยไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นระเบียบแล้วเพราะมันไม่เป็นธรรมชาตินะสัพพัญญะไม่เกิดเวลาเพ่งเนี่ยสัพพัญญาคือตัวความรู้ตัวเวลาทําการงานต่างๆสติคือความระลึกได้สัพพัญญาคือความรู้ตัวสัพพัญญานี่มัน สำหรับการทำงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความรู้ตัวนะอย่างถูกต้องถูกเวลาลายของแต่โมโหที่คนมาต่อราคามากเกินไปก็ด่าลูกค้าอันนี้พราะลืมตัวลืมตัวก็เลยเลยไล่ลูกค้าไปเลยเรียกว่าสติก็ไม่มีสัมปชัญญะก็ถดถอยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติระลึกได้เนี่ยจะทำแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องเวลาประชุมอาจจะงดหิรลาคาญโมโหใครสักคน นะอยากจะด่าว่าไปแต่ว่ามืสติระลึกได้ก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาอย่างถูกต้องนะสามารถชักชวนชี้ชวนให้เห็นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าสัพปพปัญญะมันใช้การได้แต่ว่าเราก็พูดล้มลวงกันไปแหละ ว, ว่าเป็นเรื่องสติแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องให้ระลึกได้นะแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวคือรู้กายรู้ใจ ใหม่ๆก็ให้รู้กายก่อนทํางานในชีวิตประจําวันของเราแม้แต่เวลาอยู่นิ่งๆรอรถเมย์นั่งรถครึงนิ้วไปตามลมหายใจก็ได้แต่ตามลมหายใจอาจจะช้าอาจจะยากมันเบาแล้คลึงนิ้วไปนะไม่ต้องขยับมือก็ได้จะไปเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมมันต้องขยับมือ14จังหวะคลึงนิ้วกระดิกนิ้วนะเบ า, เบาๆการครึงนิ้วมันก็เป็นการเตือนเตือนใจให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน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 ที่จริงเสียงมันอาจจะเบาวกว่าเสียงอาตมาแต่ว่าพอใจเราไปปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับเสียงที่คนกำลังคุยกันข้างล่างหรือว่าเสียงคนงานกําลังก่อสร้างทํางานอยู่แม้มันจะเป็นเสียงเบาแต่พอไปปักอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นเสียงที่ดังขึ้นดังขึ้ น, นเรื่อยๆจนกระทั่งฟังเทอตมาพูดไม่ได้เยินก็ได้เพราะใจไ ป, ไปปักอยู่ตรงนั้นยึดติกับปัจจุบันก็ไม่ใช่ทางเราต้องมีสติช่วยทําให้เราเนี่ยกลับมารู้กายรู้ใจ ในปัจจุบันขนาดได้ถ้าอยู่นิ่งๆก็ครึงนิ้วไปหาอะไรเคลื่อนไหวเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อยู่กับปัจจุบันเตือนใจให้ระลึกรู้อยู่กับกายและใจอย่างต่อเนื่องเราจะมีเวลาสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบ10นาทีก็ยังดีนะจะนั่งหลับตาตามลมหายใจหรือว่าจะเดินจงกรมก็แล้วแต่ถ้ายาวกว่านันก็ยิ่งดีเรามีเวลากับเรื่องอื่นเยอะแล้วแค่การ แต่งหน้าทาแป้งแต่งตัวนี่เราก็ใช้เวลามากกว่า10นาทีอยู่แล้วเราอยู่ในห้องน้ำนี่บางทีเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาจะอยู่กับตัวเองเวลาจะอยู่กับจิตกับใจตัวเองกลับไม่มีเวลาอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับจิตใจเราไปให้เวลากับเรื่องร่างกายซชเยอะแต่เรื่องจิตใจเราไม่ยอมให้เวลาอ้างว่าไม่มีเวลาในชีวิตประจำวันเรานี่สามารถเป็นการปฏิบัติทําได้ตลอดเวลาก็คือเป็นการเจริญสติ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 ทักทวงความคิดเสบังไว้อย่าเพิ่งไปโทษเา้าบางทีเราอด จ, จะวางไว้ไม่เป็นที่บางทีมันอาจจะตกหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งเพชรเอ่ยส้อยเอยมันดหนูเข้าไปนะกุฏิตะมานี่บางทีของแปลกๆหายไปนี่ถ้าเผลอเมื่มอไรก็ไปน็นว่าคนเข้ า, าไปบางทีไอตัวเขาเรียก ว, ว่าทำไดรฟ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะแต่หนูมันก็เอาไปเก็บสะสมเหมือนกันหายไปก็นื้ว่าเอ้ใครเอาไปนะนี่แต่ไว้หนูมันเอาไปเนี่ยมันชอบนะเอาอะไรสารพัดนะ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 พอมีสติเห็นมันก็จะวางได้หรือถึงไม่วางก็แยกออกมาให้เป็นเรื่องของกายไปไม่ใช่เป็นเรื่องของใจอย่างที่ยกตัวอย่างคนที่เขาปวดเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยมันปวดกายเหลือเกินนะแต่พอมีสตินี่เขาก็เขใช้วิธีของเขาอะนะคือว่าเหมือนกับว่าเอาใจมาอยู่ไว้ที่ไหลใจมาอยู่ที่ไหลได้ก็พอมีสติมันก็เห็นกายที่ปวดแล้วเราลองเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนว่าเห็นเห็นเห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเมื่อเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เห็น